คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าตาข่ายดักศาสดาจารชันเลิศมาจากคำว่าพรหมชาละแปลว่าตาข่ายดักพรหมดูรายละเอียดได้ในพรหมชารสูตรที่คณิกายศีลขันตวั์พึงระลึกไว้ว่ามีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าอัตตาที่ใครๆกำลังแสวงหาและพูดถึงกันสอีกสิ่งนั้นก็คือตัวความอยากมีอัตตา ที่ทำให้แสวงหาและพูดถึงอัตตานั่นเอง